มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการตายแล้วฟื้นนะคะหรือว่าการเผชิญโลกหลังความตายกันค่ะเรายัางค้างคุณผู้ฟังไว้นะคะเรื่องราวของสวรรค์เรื่องราวของนรกซึ่งเป็นประสบการณ์จริงนะคะของท่านปัญญาวารโภิกษุนะคะหรือว่านิกรไทยรักนะคะที่ได้ประสบพบเจอมาค่ะเม <c oughs> ื่อเทวดาเห็นเรือลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ดึงเชือกเคาะระฆัง3าครั้งระฆังนั้นเป็นระฆังทองโตเท่าปิบน้ามันก๊าด พอสิ้นเสียงระฆังเหล่านางฟ้าชาวสวรรค์อันแสนสวยประมาณร้อยกว่านางค่ะก็ลอยออกมาจากปร า, าสาทต่างๆคล้ายกับเดินในอากาศหรือว่าในเมฆหมอกจึงมองไม่เห็นนะคะตั้งแต่ตาตุ่มลงไปว่าเขาใส่รองเท้าหรือว่าเขาเดินเท้าเปล่า เหล่านางฟ้าชาวสวรรค์ น, นี้ไม่สวมเสื้อมีแต่ผ้าคาดอกแล้วก็ไปผูกไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีผ้าบางๆสีสวยสดงดงามผ้าเฉวียงบ่าส่วนผ้านุ่งนั้นไม่ทราบว่าทำด้วยอะไรดูแล้วแวววาวระยิบระยับจับตาไปทั้งพื้นรูปร่างหน้าตาเนื้อหนังก็สวยสดงดงามจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ถูก ยิ่งกว่าภาพอันวิจิตที่จิตกรเอกได้เขียนไว้ด้วยฝีมืออันเลิศเลยนะคะเนื้อหนังเปล่งปลั่งดั่งดอกปธุมชาติสีชมพูอ่อนเมื่อมากันพร้อมแล้วก็กระทำอภิวัธ น, นาการแล้วก็ร่ายรำทำเพลงแบบศิลปะไทยน่าชมค่ะส่วนเรือที่วิญญาณอาตมานั่งนั้นก็ลอยไปรอบๆบางครั้งก็ลอยเข้าไปใกล้เหล่านางฟ้าที่กาลังร่ายรซึ่งระยะห่างจากอาตมาราวๆแค่ศอกคืบเท่านั้น ตอนนั้นวิญญาณของอัตมาอายจนบอกไม่ถูกเมื่อมองดูนางฟ้าแล้วกลับมามองดูที่ตัวเองนั่งพุงเปลือยอยู่ในเรือมีผ้านุ่ ง, งเพีย ง, ยงแค่ขีริ้วพันกายแค่คืบเดียวพยายามดึงผ้านั้นมาไว้เบื้องหน้าเพื่อปกปิดความอาย แต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกนะคะว่าไม่มีความสุขใดๆในโลกมนุษย์ที่ใครๆได้ประสบพบมาจะมีความสุขเท่าที่เรากำลังประสบอยู่แต่ว่าเพราะบุญญาธิการของเรามีน้อยจึงได้แต่นั่งอยู่ในเรือไม่กล้าลงไปเดินในแดนสวรรค์อันแสนสุขนั้น ซึ่งความจริงตอนนั้นวิญญาณของอัตมารู้สึกว่ามีใจเอ็มอิ่มกระหิ่มย่องแล้วก็อยากจะลงเรือออกไปร่ายรำกับนางฟ้าซะให้เต็มทนแต่ก็จนใจด้วยความอับอายจึงได้แต่นั่งดูอยู่เฉยๆจะถามอะไรก็ไม่กล้าเอ่ยปากสักคำทั้งทา ง, ท, งที่อยากจะชวนนางฟ้ามานั่งคุยข้างเรือให้สมกับที่ไม่เคยเห็นในชีวิตแต่ครั้นแล้วก็ได้แต่นั่งไม่กล้ากระดุกกระดิกดังตอไม้ เมื่อหันหน้าไปมองดูเทวดาพระองค์ท่านก็เอกขนเกอมยิ้มพริ้มพรายอย่างสบายอารมณ์นางฟ้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสฉม้อยชม้ายชายตามองกันสังเกตดูองค์เทวดาอย่างสุขใจดุดเดียวกันถ้าจะคํานวณเวลาที่วิญ ญ, ญาณอาตมามาชมการร่ายรําของเหล่านางฟ้าเทพอับสอน คาดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ต่อแต่นั้นนางฟ้าก็ค่อยๆทยอยกันกลับหลังหันลอยไปยังปราสาทของตนทีละนางสองนางจนหมดสิน้นโดยไม่เหลียวหลังมามองอาตมาสักนางทำให้เรามองตามจนสุดสายตายอย่างอาลัยเมื่อเหล่านางฟ้ากลับสู่สถานทีพ่พิมานของแต่ละนางแล้วเรือที่อาตมานาั่งก็ลอยมาอยู่ตรงพระพักของเทวดาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทวดาเห็นอย่างนั้นก็สั่งคนที่นั่งอยู่ตอนท้ายเรือบอกว่า พาเขาไปส่งได้แล้วเมื่อวิญญาณได้ยินดังนั้นก็สุดแสนเสียดายอาไลไม่อยากกลับแต่นึกในใจว่าวาสนาเรายังน้อยเพียงแต่ได้เห็นเท่านี้ก็เป็นบุญตาแล้วอัตมานั่งถอนใจใหญ่แล้วก็ดูโน่นนี่ไป ร, บรอบๆเพื่อจดจำไว้เป็นขวัญตาขวัญใจเพียงประเดี๋ยวเดียวเรือก็ค่อยๆลอยลดต่าลงมาจนถึงยอดไม้แล้วก็หยุดนิ่งที่คนต้นไม้ต้นเดิมก่อนที่อัตมาจะขึ้นไปนั่นเอง อาตมาก็ลงจากเรือแล้วเรือลำนั้นก็ลอยกลับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าอีกครั้งอาตมามองตามจนสุดสายตาด้วยความอาลัยดั่งใจจะขาดดินวิญญาณอาตมาก็เดินทางต่อไปคราวนี้รู้สึกว่าเดินสบายไม่เจ็บปวดที่ใดเลยไม่นานนักก็ได้ไปพบวัดร้างวัดหนึ่งนะคะซึ่งวัดนี้ดูเหมือนจะไม่มีพระเงียบสงัดไปหมดแต่ก็มีศาลามีวิหารมีโรงธรรมประดับประดาแต่งอย่างสวยงาม รอบรอบวัดมีต้นไม้เขียวฉอุ่มไปทั้งนั้นพออาตมาเดินไปใกล้วิหารก็ได้เห็นหมู่สงเดินออกมาจากป่าหลังวิหารนั้นประมาณ4ี่ห้ารูปอาตมาเห็นดังนั้นก็พลันยกมือขึ้นไหวแล้วก็นั่งลงกราบที่พื้นอีกครั้งพระสงฆ์รู ป, รปที่นำเดินตรงเข้ามาพยุงแขนอาตมาให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็พาเข้าไปในวิหารจัดการจุดทูปเทียนบูชาพระเสร็จแล้วรูปที่อยู่ข้างหลังก็ออกไปจนหมด เหลือแต่รูปที่นำอาตามาเข้ามาในวิหารแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้คุณจะได้บวชแล้วและหมดเคราะห์หมดโศกกันสัทีจะได้บวชภายในไม่กี่วันนี้พูดจบก็เดินออกจากวิหารนั้นแล้วก็ลับหายเข้าไปในป่าอีกครั้งเมื่อพระไปกันหมดแล้วอาตามาก็เดินต่อไปอาตามาเดินเข้าป่าแห่งหนึ่ง ภายในป่านี้ร่มรื่นเย็นดีเมื่อจวนจะพ้นป่าอาตมาก็มองเห็นกลุ่มควันอยู่เบื้องหน้าเต็มไปหมดก็รีบเดินเข้าไปดูเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่พอเดินเข้าไปใกล้และเห็นเป็นเหวลึกภายในเหวนั้นเห็นเป็นกองไฟอยู่หลายแห่งใกล้ๆกันกับกองไฟมองเห็นสิ่งมีชีวิตเดินอยู่เป็นฝูงคล้ายคลกันกับวัวควายแต่ว่าตัวเล็กกว่ามองดูไม่ถนัดเพราะอาตมาอยู่สูงและก็มืดมัวเป็นหมอกเป็นควันไปหมด ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนักว่าเป็นอะไรกันแน่จึงค่อยๆเดินลงไปในเหวนั้นคล้ายๆกันกับเดินจากเนินสูงๆพอลงไปถึงก็เห็นว่าเป็นที่ราบกว้างขวางมากคล้ายกับทะเลทรายสิ่งแรกที่อาตมามองเห็นเป็นฝูงมาแต่ไกลกําลังจะเดินผ่านมาทางที่อาตมายืนอยู่ พอเดินใกล้เข้ามาจึงได้เห็นถนัดชัดเจนว่ามีรูปร่างอย่างมนุษย์หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอย่างที่สุดศีสะโลนร่างกายสู้พร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นจำนวนพันพันหมื่นๆเมื่อมนุษย์พวกนี้เดินผ่านไปแล้วก็มีผู้คุมเดินตามหลังมาสองคนถือสมุดบัญชีเปิดดูอยู่ตลอดเวลาทั้งสองคนมีขนอกรุนรังไปหมดทั้งตัวเมื่อผู้คุมเข้ามาใกล้อัตมาจึงถามว่าพวกนั้นเป็นอะไร ผู้คุมก็ตอบว่านี่คือพวกพระที่บวชตอนครั้งอยู่ในเมืองมนุษย์จิตใจไม่อยู่ในศีลและธรรมชอบโกงหลอกลวงชาวบ้านมาสร้างประโยชน์ส่วนตัวชอบทะเลาะวิวาทชกต่อยในหมู่สงฆ์ด้วยกันและคอยรังควานหาเรื่องกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ้นชีวิตจากเมืองมนุษย์ก็ต้องมาตกนรกทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหมดสิ้นเวรที่ได้กระทําไว้ไต้องไปเกิ ด, ม, ดกมีฐานะไปเกิดแต่ก็ต้องไปเกิดแบบมีฐานะยากลําบากหรือว่ายากจน พูดอะไรก็ขาดคนนับถือแล้วก็ไม่มีใครเชื่อในคำพูดเมื่อพวกนี้พ้นไปแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งเดินตามหลงังร่างกายเหมือนมนุษย์สูบผอมผมรุงรังมีเลือดย้อยไหลาอาบไปทั้งตัวบางคนตีนด้วนมือด้วนหน้าตาฉีกจนมองเห็นกระดูกน่าเกลียดมากมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีนายนิระยะบานถือหอกถือดาบตีฟันแทงมาอย่างไม่หยุดเลยต่างก็ล้มลุกคลุกคลานมองดูแล้วน่าสมเพศเวทนายิ่งนัก มีผู้คุมถือบัญชีเดินตามหลังมาสองคนพอผู้คุมเข้ามาใกล้อัตมาก็เลยถามว่าพวกนี้สร้างกรรมอะไรไว้ผู้คุมก็ตอบว่าพวกนี้คือพวกที่ฆ่าพ่อหรือว่าฆ่าแม่หรือทารุณโหดร้ายต่อผู้มีพระคุณฆ่าพระสงฆ์ทาลายศาสนาขณะนี้เรากาลังนาเขาไปเข้าเครื่องทรมานพวกนี้ต้องชดใช้กรรมอยู่นานเพราะสร้างกรรมชั่วไว้มาก และถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีแต่คนทำร้ายหักหลังทรยศคนไม่รู้จักคุณคนก็เป็นอย่างนี้แหละต่อแต่นั้นก็ยังมีพวกอื่นอีกนะคะที่ร่างกายเหมือนมนุษย์ส่วนหน้าตาเนี่ยดูไม่ออกว่าเหมือนกับอะไรน่าเกลียดหน้ากลัวยิ่งกว่าซากศพในโรงศพซะอีกตามเนื้อตามตัวผุพองเน่าเปื่อยเลือดไหลแดงฉานไปทั่วทั้งตัวในายนิระยะบาลถือไม้กระบองใหญ่ขนาดแขนตีคนละที2ทีไม่หยุดยั้ง ก็ทำให้ทั่วคนที่ถูกตีเนี่ยนะคะส่งเสียงร้องครวนครางหน้าสมเพศ เ, เวทนามีผู้ถือบัญชีเดินตามหลังมาสองคนอาตมาก็ถามว่าพวกนี้ทำชั่วอย่างใดไว้จึงต้องมารับกรรมเช่นนี้ผู้คุมก็ตอบนะคะว่านี่คือพวกฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้ขโมยข้าวของคนอื่นและทำร้ายเจ้าทรัพย์ช่อโกงเขากินฆ่าเพื่อนมนุษย์ไม่ได้บทเรียนเมื่อสิ้นชีวิตแล้วต้องมาใช้กรรมอยู่อย่างนี้ ถ้าได้โอกาสไปเกิดเป็นคนอีกก็จะเจ็บป่วยบ่อยๆหาเช้ากินคำ่ำไม่มีเงินเก็บไว้อย่างชีพไม่สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้เมื่อพวกนี้พ้นไปแล้วก็ยังมีอีกพวกหนึง่งร่างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเหมือนกับสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าบ้างบางคนก็เป็นเหมือนเป็ดเหมือนไก่บางคนดูไม่ออกว่าเป็นสัตว์อะไรเลือดไหลแดงไปทั้งตัวนายนิระยะบาลก็ใช้แส้ใช้แม่เรียวฟาดลงไปไม่หยุดท่านปัญยญาวาโรภิกษุ หรือว่าในขณะนั้นคือนายนิกรไทยรักนะคะก็ถามว่าพวกนี้ทำกรรมอย่างไรไว้ผู้คุมก็ตอบว่าพวกนี้ฆ่าสัตว์ชนวัวชนควายทั้งกัดปลาชนไก่แล้วก็ทรมานสัตว์ด้วยวิธีต่างๆอย่างโหดร้ายทารุณใจบาปหยาบช้าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษขาดความเมตตา ทั้งนี้แล้วแต่ใครจะทํากรรมอย่างใดกับสัตว์อะไรเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ต้องมาตกนรกเขาก็มีหน้าตาเหมือนสัตว์นั้นแล้วยังต้องทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมนั้นต่อแต่นี้ก็ยังมีอีกพวกหนึ่งเป็นหญิงทั้งนั้นรูปร่างหน้าตาดําเกรียมไปทั้งตัว เหมือนกับถูกไฟเผาทั้งเป็นผมยาวถึงบ้านเอวรูปร่างเหมือนมนุษย์เล็บยาวปากฉีกตาเล่บางคนก็ขวัหน้าตัวเองบางคนก็ตบหน้ากันเองชลมุวุ่นวายไม่อยู่นิ่งนายนิรยาบาลถือเหล็กแดงยาวประมาณสองอกถ้าหากว่าใครเดินเฉยๆไม่ตบตีกันก็ใช้เหล็กแดงเนี่ยแทงมาทันทีให้ตีกันอีกตอนท้ายก็มีผู้คุมมาบอกว่า ผู้หญิงพวกนี้เมื่อครั้งอยู่เมืองมนุษย์เป็นคนคบชู้นอกใจสามีทำสเสน่ห์ยาแฝดด่าพระสงฆ์ริษยาอาฆาตเบียดเบียนเพื่อนบ้านทำสเสน่ห์ยาแฝดหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอไม่สนใจในการทำบุญสุนทานเมื่อสิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์แล้วก็ต้องมาตกนรกอยู่อย่างนี้ ผลกรรมที่จิตใจชั่วช้าเลวซามจึงทำให้ตัวดำไม่เกรียมอย่างที่เห็นอยู่นี้และถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีเรื่องพาให้รำคาญใจอยู่เสมอไปท่านปัญญาวาโรภิกขุยังได้บอกอีกนะคะว่านอกจากนี้ยังมีผู้เดินตามหลังมาอีกหลายพวกแต่ว่าวิญญาณของอัตมารู้สึกกระวนกระวายใจที่จะเดินทางต่อไประยะทางที่เดินนั้นมองเห็นเป็นควันไปหมดและพวกที่เดินอยู่ข้างในก็มีมาก อาตอมาจึงหาทางเดินขึ้นข้างบนเพื่อพ้นจากลุมนรกแต่พอขึ้นมาก็เริ่มเห็นของแปลกๆอีกอาตอมาเห็นห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งที่หน้าห้องมีโต๊ะตัวใหญ่แล้วก็มีสมุดบัญชีวางอยู่บนโต๊ะหลายเล่มด้านหน้าของโต๊ะมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งผิวกายสีดำขนหน้าอกรุงรังท่าทางน่ากลัวเปิดสมุดบัญชีอยู่ตลอดเวลาด้านข้างโต๊ะยังมีอีกคนนึงรูปร่างคล้ายคลึงกันนั่งอยู่เฉยๆ เมื่อพลจากห้องนั้นไปประมาณ3วาก็มีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งใหญ่โตมากแล้วก็ภายในต้นโพมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งคล้ายกับรูปปั้นนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิขณะที่ดวงวิญญาณของอาตมา ก, กําลังยืนดูสิ่งต่างๆอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์อนาหวาดเสียวปรากฏขึ้นมาทันทีเมื่อวิญ ญ, ญาณอาตมาเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปหลบอยู่ที่โคนไม้ใกล้ๆภาพที่เห็นนั้นคือผู้ชายรูปร่างกำยำ4ี่คนรูปร่างเหมือนมนุษย์ส่วนหน้าตาน่าเกรงขาม ท่าทางดุร้ายที่สุดกำลังลากผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ30ปีหน้าตามอมแมมแต่งกายด้วยผ้าเก่าๆพอมาถึงที่ก็นั่งลงหน้าโต๊ะแล้วก็มีเสียงถามออกมาจากคนที่นั่งหน้าโต๊ะบอกว่าเจ้าชื่ออะไรตอนนั้นวิ ญ, ญญาณฟังไม่ถนัดว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรต่อจากนั้นก็ให้คนที่นั่งข้างโต๊ะเนี่ยเอาบัญชีออกมาดูํถาถามตอบตอบอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วคนทั้งสี่ก็จุดกระชากหญิงคนนั้นมา อยังทางที่วิญญาณเดินขึ้นมาแล้วก็ผลักผู้หญิงคนนั้นจมหายไปเมื่อผู้หญิงคนนั้นลับไปแล้วคนทั้งสี่ก็กลับมาอย่างที่เดิมคนหน้าโต๊ะก็พูดอะไรสองสาคำพวกทั้งสี่ก็หายวับไปทันทีคือไปเร็วมากจนอาตามามองไม่ทันว่าเขาไปข้างไหนอย่างไรขณะที่วิญญาณกำลังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งใกล้ๆต้นโพมีสีเขียวเป็นแสงพุ่งยาวสว่างชดช่วงอยู่ตลอดเวลา แสงนั้นยาวแล้วก็พุ่งไกลามากเมื่อวิญญาณอัตมาเห็นดังนั้นก็อยากจะไปดูให้แน่ใจแต่ว่าไม่กล้าไปทางตรงอัตมาจึงเดินอ้อมแบบด้อมๆไปทางข้างไม่ให้พวกนั้นเห็นพอมาใกล้จึงทราบว่าเป็นสะพานแก้วโตขนาดเท่าต้นมะพร้าวยาวแล้วก็ไม่มีเสาเลยเบื้องล่างของสะพานมีเมฆหมอกเต็มไปหมดสะพานทอดข้ามขุมนรกดูข้างล่างลึกมากไม่สามารถมองเห็นอะไร หัวสุดของสะพานทอดออกไปติดกับภูเขาด้านหลังของภูเขามีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาดูแล้วเพลิดเพลินจเจริญตาเป็นสุขยิ่งนักเมื่อวิญญาณเห็นดังนั้นก็อยากจะไต่สะพานดูแต่ว่ากลัวตกครั้งแรกอัตมาทดลองเอาเท้าแตะดูเบาๆก่อนว่าจะลื่นหรือไม่พอเท้าถึงสะพานเท่านั้นรู้สึกว่าเย็นสบายและมีความสุขอย่างแปลกประหลาดเมื่อเห็นว่าสบายวิญญาณก็รีบเดินไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งตามความยาวของสะพาน เหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันอันน่ากลัวก็พลันบังเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนกล้องมาข้างหลังอาตมาเมื่ออาตมาหันไปดูก็ตกใจตัวสั่นจนเกือบจะตกสะพานถ้าจะหนีก็สายไปซะแล้วในายในระยะบาล4ี่คนที่จับผู้หญิงไปเมื่อสักครู่นั้นพวกเขามาจับมือมาทเท้าอาตมาอย่างแข็งแรงแล้วก็ผูกติดกับไม้คล้ายกับกระดาน ลากพามายังห้องที่อาตมาเห็นแล้วก็ว่าห้องนี้เป็นห้องของย ม, มาบาลชาระผู้กระทำผิดนั่นเองพอถึงหน้าห้องเขาก็วางวิญญาณของอาตมาลงกับพื้นแล้วนายนิรยาบาลสี่คนนั้นก็ไปยืนทางศีรษะคนหนึ่งทางเท้าคนหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายทางขวาข้างละคนมือถือเหล็กสามง่ามไม่พูดไม่ว่าอะไรเมื่อย ม, มาบาลคนที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะเห็นดังนั้นก็ถามว่าเจ้าเป็นใครอาตมาก็ตอบว่าผมชื่อนิกรไทยรัก แล้วยมมาบานก็หันไปสั่งคนที่นั่งข้างโต๊ะ ว, ว่าเอาบัญชีมาดูเดี๋ยวนี้เมื่อมันอยู่เมืองมนุษย์มันสร้างกรรมสร้างเวรอะไรไว้บอกมาให้หมดต่อจากนั้นพญายมก็ค้นหาอยู่ครู่นึงค่ะก็ชักบัญชีออกมาเป็นบัญชีขนาดสอกหนาประมาณหนึ่งฟุตเมื่อเปิดไปถึงชื่อนั้นยมมาบาลก็บอกทันทีบอกว่ามันเบียดเบียนพ่อแม่มันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ ไม่ได้บวชเรียนมีกรรมเก่าติดตัวมานิดหน่อยผลกรรมมีเท่านี้วิญญาณของอาตมานอนฟังอยู่ก็รู้สึกสั่นไปหมดไม่ทราบว่าเขาจะทําอะไรกับอาตมาต่อไปเมื่อพญายมผู้ถือบัญชีบอกหมดแล้วเสียงย ม, มาบาลก็ถามว่าอยู่ที่เมืองมนุษย์ทําบุญทำทานอะไรไว้บ้างจงบอกมาให้หมดไว้ไวเสียงย ม, มาบาลที่ถามนั้นฟังแล้วเหมือนกโกรธกันมาหลายปีนะคะพอพบเข้าคล้ายกับว่าจะกินเลือดกินเนื้อน่ากลัวมาก วิญญาณของอาตมาในเวลานั้นกลัวจนบอกไม่ถูกส่วนย ม, มาบาลก็ถามรุกเรื่อยว่าทำไมไม่ตอบหรือไม่เคยทำบุญอะไรเลยวิญญาณที่กําลังคิดอยู่เห็นไม่มีอะไรและจึงตอบไปตามที่ได้เคยกระทาได้ไว้นะฮะว่าได้ไปไหว้พระบรมาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำบุญทำทานเล็กๆน้อยๆทั้งนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งย ม, มาบาลก็พูดว่าเออมึงยังไม่ถึงที่ตายสร้างกรรมยังไม่มาก จะต้องกลับไปเข้าร่างเดิมในเมืองมนุษย์อีกพวกท่านทั้งสี่จงพามันไปส่งเข้าร่างเดี๋ยวนี้พออาตมาได้ยินว่าพามันกลับไปเข้าร่างเดิมในเมืองมนุษย์แทนที่อาตมาจะดีใจกลับเสียใจหนักลงกว่าเดิมเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอตายไปให้พ้นแต่นี่ย ม, มาบาลจะเอากลับไปอีกเราไม่ขอกลับแน่วิ ญ, ญญาณจึงพูดว่าขอความปรานีแด่ย ม, มาบาลผู้ยิ่งใหญ่อย่าให้เราต้องกลับไปใช้กรรมอีกเลย จงปล่อยให้เราไปทางสะพานแก้วนั้นตลอดไปเถิดโย ม, มาบาลพูดว่าไม่ได้มึงต้องกลับไปเราไม่มีความปราณีแก่ใครทั้งนั้นพวกนายนิระยะบาลทั้ง4ี่คนก็จัดการแก้เชือกที่มัดตัวอาตมาทั้งมือทั้งเท้าออกจนหมดเมื่อวิญญาณเห็นว่าไม่มีทางไหนแล้วที่พอจะพึ่งได้นอกจากคำว่าพุทธโธจึงภาวนาขึ้นดังๆว่าพุทโธถึงสามครั้งเมื่อพวกทั้ง4ได้ยินคาว่าพุทโธคาเดียวก็หยุดทันที ต่อจากนั้นวิญญาณก็ระลึกขึ้นได้ว่าขอเดชะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายขอบารมีแห่งพระองค์ท่านจงช่วยด้วยให้ไปดลจิตบรรดานใจแก่ย ม, มาบาลให้ไปเข้าสิงร่างของเราในเมืองมนุษย์บอกกับทุกคนด้วยว่าเรานั้นไม่ผิดอะไรทั้งหมดถ้าหากเราไปพูดเองเขาจะไม่เชื่อกันและให้ไปบอกด้วยว่านรกนั้นมีจริงทุกอย่างขอให้ย ม, มาบาลไปบอกเขาอย่างนี้ ถ้าทําได้ดังว่านี้วิญญาณของเราจะยอมไปเข้าร่างเดิมถ้าไม่ได้อย่างนี้จะไม่ยอมไปเมืองมนุษย์อีกโดยเด็ดขาดขอพระอ<ร>งค์ท่านจงช่ว ย, วยเราด้วยเถิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธวิญญาณก็ภาวนาอยู่แบบนี้เรื่อยไปอีกไม่นานนักภาพพระพุทธรูปที่ต้นโพธิ์ใหญ่ก็ได้แสดงอภินิหารทันทีครั้งแรกวิญญาณของอัตมาเห็นภาพนั้นเป็นเหมือนรูปปั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือเหมือนเนื้อหนังจริงและผ้าจีวรก็เหมือนผ้าจริงๆ ต่อมาก็มีแสงรัศมีออกจากดวงเนตรของพระองค์เป็นสีเขียวพุ่งไปยังร่างของย ม, มาบาลเมื่อย ม, มาบาลเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแต่ก็นั่งลงซะอีกอาัตามาก็ภาวนาต่อว่าพุทธโธขึ้นอีกคราวนี้ก็เป็นแสงรัศมีใหญ่กว่าทุกครั้งก่อนพุ่งไปยังย ม, มาบาลอีกหนนึ่งเมื่อย ม, มาบาลเห็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถนั่งอยู่ได้จึงลุกขึ้นยืนทันทีแล้วไปยังเมืองมนุษย์อัตามาก็ตามไปด้วย เมืองนรกกับเมืองมนุษย์นั้นตามความรู้สึกของวิญญาณเห็นว่าอยู่ไม่ห่างไกลกันเลยอยู่ใกล้กันเพียงนิดเดียวแต่ว่ามีหมหอกบังหลูก็เลยมองไม่เห็นกันตลอดเวลาเมื่อวิญญาณอัตมาเดินมาถึงเมืองมนุษย์แล้วก็หยุดอยู่ที่หน้าบ้านส่วนย ม, มาบาลเข้าไปในบ้านทันใดนั้นย ม, มาบาลก็เข้าไปในบ้านสิงร่างกายเนื้อของอัตมาที่นอนตายอยู่บนเตียงนานแล้วโดยไม่มีใครรู้เพราะเป็นเวลากลางคืน ร่างนั้นก็ลุกขึ้นกระโดดบนเตียง 3-4 ครั้งส่งเสียงคำรามสนั่นหวั่นไหวไปทั้งบ้านทุกทุกคนที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านก็พากันตกใจตื่นคิดว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่างคนต่างก็จุดตะเกียงออกมาดูแม่ของอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นบ้าเสียสติไปแล้วก็ช่วยกันเข้ามาจำมัดแต่ว่ายมบาลผลักออกไปจนหมดบา ง, บางคนก็ผิดว่าผีาผข้า<ผ>ีสิ ง, สงต่างบนบานสารกล่าวกันเป็นยกใหญ่ พ่อจะมากินอะไรดีๆพ่อก็บอกเธออย่าทำํำริษทำเดชออกมาแบบนี้เลยยมมาบาลในร่างของอาตมาก็พูดว่าไอ้พวกมนุษย์จงเข้าใจว่าเราไม่ใช่ผีเราคือยมมาบาลผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองนรกพี่ชายของอาตมาสงสัยว่ายมมาบาลอะไรกันไม่เคยเห็นขึ้นมาเมืองมนุษย์เลยก็เลยพูดขู่ไปว่ายมมาบาลอะไรจงพูดมาดีๆนะอย่าพูดเท็จกับเราเดี๋ยวยมมาบาลจะเจ็บตัว พี่ชายของอาตมาเป็นคนหัวใสยศาสตร์อยู่สักหน่อยคือนับถือปู่เจ้าสมิงพรายเมื่อย ม, มาบาลได้ยินดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความกโกรธยิ่งขึ้นทำท่าจะกระโดดถีบพี่ชายของอาตมาแต่ย ม, มาบาลกลับนึกได้ว่าถ้าหากขืนอยู่ในเมืองมนุษย์อีกคงจะต้องเอาชีวิตพี่ชายของอาตมาไปเป็นแน่เพราะว่าย ม, มาบาลคนนี้พูดกับใครไม่มากเลยตัดความรำคาญออกจากร่างของอาตมาไปทิ้งให้ร่างของอาตมานอนสงบดังเดิม ส่วนพยายมคนที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะก็มาด้วยเมื่อเห็นดังนั้นก็เข้าสิงร่างแทนสเสองแล้วก็พูดขึ้นว่าเราคือพยายมเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนั้นย ม, มาบาลได้ออกจากร่างไปแล้วและจะไม่เข้ามาอีกเราจึงเข้ามาแทนเพราะพระพุทธเจ้าส่องแสงรัศมีให้เรามาช่วยน้องชายเจ้าเพราะมันยังไม่ถึงที่ตายพี่ชายอาตมาก็เลยถามขึ้นมาทันทีว่ามาช่วยด้วยเหตุอะไรพยายมฉีกเสื้ออาตมาออกนําจดหมายลาตายและกล่องยาพิษมาให้ดูทันที ทุกคนที่คอยอยู่นั้นตกตะลึงไปตามกันเพราะไม่มีใครนึกเลยว่าอาตมาจะคิดอย่างนั้นแล้วพญายมก็พูดต่อไปว่าจงไปตามลูกๆ ห, หลานมาให้หมดคืนนี้เราจะบอกเรื่องนรกให้ฟังเพราะมนุษย์เดี๋ยวนี้สร้างแต่กรรมเลวทำแต่สิ่งชั่วตกนรกหมกไหม้กันมากมายเหลือเกินร้อยวันพันปีเราไม่ได้ขึ้นมาเมืองมนุษย์เมื่อเราขึ้นมาแล้วก็จะบอกถึงเรื่องการทรมานในเมืองนรกให้ฟัง แล้วพยาลมก็ชี้มือไปที่แม่ของอาตมาและบอกว่าให้ไปตามกันมาให้หมดทุกคนที่อยู่ข้างๆบ้านนี้ต่อจากนั้นแม่ของอาตมาก็ไปตามลูกๆหลานๆมากันหลายคนส่วนวิญญาณอาตมายังคงยืนฟังอยู่นอกบ้านเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วพยายมก็เริ่มอธิบายถึงขุมนรกมีกี่อย่างและยังบอกด้วยว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนมีบัญชีอยู่ในเมืองนรกทั้งนั้นเว้นแต่ผู้ที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะไม่มีบัญชี ใครจะสร้างบุญบาปอย่างไรนั้นสามารถรู้ได้ด้วยหูทิปตาทิปพอพยายมพูดมาถึงตรงนี้พี่ชายของอัตมาชักจะสนใจในเรื่องบัญชีก็เลยถามพยายมว่าในบัญชีของผมมีอะไรบ้างพยายมก็ใช้พวกทั้งสไปเอาบัญชีพี่ชายมาให้ดูซึ่งพยายมก็ได้บอกบัญชีของพี่ชายตั้งแต่อายุ10ปีจนถึง35ปีว่ามีอะไรบ้าง แม่พี่ชายของอาตมาจะยิงลิงข้างแล้วก็หมูป่าก็ปรากฏในบัญชีหมดได้ทำบุญกี่อย่างก็จดไว้หมดเช่นเดียวกันไม่คลาดเคลื่อนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ชายของอาตมาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกกลัวมากถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะรู้ความจริงเรื่องนี้เชิญไปถามพี่ชายของอาตมาได้นั่นคือนายสวัสด์นาตะกวทุ่งอยู่บ้านทุ่งสงอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เขาไปสร้างสวนอยู่ที่นั่น วันนั้นที่ได้ประสบเหตุการณ์ก็เพราะว่าเขาไปชวนอาตมาไปอยู่ด้วยพี่ชายของอาตมาถามต่อไปว่าพญายมช่วยบอกอะไรสักนิดเถิดปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอยู่ที่นรกหรือไปเกิดแล้วพญายมก็บอกว่าคนนั้นตกนรกอยู่คนนั้นไปเกิดแล้วพี่ชายอาตมาถามว่ารู้ได้อย่างไรพญายมบอกว่ารู้ได้ด้วยดูในบัญชีถ้าใครยังตกนรกอยู่บัญชียังจดไว้ถ้าใครไปเกิดแล้วก็จะลบบัญชีออกหมด พี่ชายก็เลยถามอีกว่าวันก่อนเขาได้ไปทอดผ้าป่าแล้วก็ทําบุญอุทิศกุศลไปให้ได้รับหรือเปล่าพญายมตอบว่าพวกที่ตกนรกขุมลึกๆจะยังไม่ได้รับอะไรเลยเพราะกรรมยังมากส่วนพวกที่จะได้รับบุญกุศลนั้นคือพวกที่พ้นจากนรกขุมลึกๆแล้วการที่ท่านทั้งหลายทรมานสัตว์นรกนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์นั้นสิ้นกรรมแล้วเมื่อใดพี่ชายของอาตมาถามอีกพญายมก็เลยตอบว่าการที่มนุษย์สร้างกรรมดีกรรมชั่วเขาได้ลงไว้เป็นขีด โดยมีไว้สองใบถ้าทำกรรมชั่วก็ลงไว้ในบัญชีสีดำทำกรรมดีก็ลงไว้ในบัญชีสีแดงเราลงไว้ขีดใหญ่และขีดเล็กแล้วแต่กรรมหนักหรือว่ากรรมเบาเมื่อไปทรมานนั้นผู้มีผู้คุมคอยถือบัญชีอยู่ครั้นเห็นว่าหมดกรรมแล้วก็ลบออกเสียทีละขีดทรมานไปจนกว่าขีดนั้นจะหมดแล้วก็ปล่อยให้ไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นอสูรกายบ้าง เมื่อสิ้นเวรจากพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นคนขอทานง่อยเปลี้ยเสียขาบ้าใบาวิกลจริตเสื่อมซามไปตามกรรมนั้นพี่ชายของอัตมาก็เลยถามต่อไปว่าคนมีบุญเข้าส่งขึ้นสวรรค์อย่างไรพญายมตอบว่าเมื่อผู้ทําบุญเหล่านั้นสิ้นชีวิตแล้ววิญญาณเดินทางมาสูนย์รวมกรรมตรวจบัญชีแล้วยมมาบาลก็ปล่อยให้เดินไปทางสะพานแก้วส่วนบัญชีก็ส่งให้เทวดาเทวดาตรวจดูว่าผู้นั้นสร้างกรรมดีอะไรไว้ทําบุญทําทานอะไรบ้าง เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ไปเสวยทิพยาวิมานอยู่นานตามส่วนแห่งผลบุญที่ได้บำเพ็ญมาส่วนผู้ที่ได้อรหันไม่ต้องไปหาใครทั้งนั้นด้วยอํานาจบา ร, รมีอันแก่กล้าไม่ต้องเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรทั้งหมดเพราะผู้ที่ได้เป็นอรหันนั้นหมดสิ้นจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งปวงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารส่วนผู้ที่ไม่ได้อรหันในขณะที่เสวยสุขอยู่นั้นก็จะมีพวกเทวดาพวกหนึ่งคอยดูบัญชีแผ่นทองคํา เมื่อเห็นว่าสิ้นผลบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์ในสกุลดีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตในวงสังคมคนนิยมทั่วไปมีผิวพันธุ์ผุดผ่องไม่มีโรคาพยาธิจะเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีย่อมมีศีลและธรรมประจำในสันดานรักษาศีลให้ทานดุจชาตปางก่อนซึ่งเขาทาบุญไว้อย่างไรก็จะได้รับสุขอย่างนั้นสร้างกรรมอะไรได้อย่างนั้นใคร ไม่ค่าสัตว์ก็จะอายุยืนไม่รักทรัพย์ก็หาทรัพย์ได้มามากไม่ผิดลูกผิดเมียใครก็จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาที่ดียิ่งไม่ทะเลาะวิวาทกันจนวันแก่วันเท่าจนเข้าลงไม่พูดเท็จก็ไม่ถูกใส่ความไม่มีคนใส่ร้ายไม่ดื่มสุราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดประกอบกิจ ด, ด้วยไหวพริบอันเฉียบแหลมมีความเมตตาปราณีกับผู้อื่นก็จะได้รับความเมตตาใครทําบุญให้ทานมากก็จะมีทรัพย์มาก พี่ชายอาตมาก็เลยถามไปอีกว่าเพราะอะไรจึงเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นวิญญาณเที่ยวหลอกหลอนคนอื่นพญายมก็บอกว่าพวกนี้พ้นจากการทรมานจากนรกแต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะยังไม่สิ้นเวรกรรมจึงต้องถูกทรมานไปก่อนจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เป็นเปรตคือพวกที่ตรนีที่เหนียวไม่ทําบุญให้ทาน พวกที่เป็นอสุรกายคือพวกที่มีจิตใจโหดร้ายทารุณขี้โมโหเข้าลักษณะกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองพี่ชายของอาตมา ก, ก็ยังถามอีกว่าทำบุญอะไรได้บุญมากที่สุดพญายมตอบว่าถ้าเป็นชายให้บวชเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะได้บุญเสมอไปคือบวชแล้วต้องหมั่นรักษาศีลปฏิบัติในกิจของสงฆ์และช่วยสั่งสอนให้ผู้ที่ได้รับทุกข์ทรมานพ้นจากทุกข์ คือสอนให้ละชั่วประพฤติดีมีศีลธรรมประจําใจแต่ถ้าหากว่าผู้ใดบวชแล้วยังทําชั่วบวชแล้วยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทํากรมชั่วต่างๆเหมือนเมื่อยังไม่ได้บวชผลกรรมจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเพราะรู้แล้วยังฝืนทําแต่ถ้าเป็นหญิงทําบุญได้บุญมากก็คือการปฏิบัติ ด, ดูแลรักษาพ่อแม่เลี้ยงดูท่านไม่ให้ลําบากหรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มีพระคุณถ้าจะถือบวชเป็นชีก็จะได้บุญมากเหมือนกัน พี่ชายอัตมาถามอีกว่าสร้างกรรมอะไรที่ต้องมาเป็นพยายมพยายมเลยตอบว่าเมื่อชาติก่อนเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยที่ต้องมาเป็นพยายมก็เพราะว่าความไม่ยุติธรรมโดยเห็นแก่เงินสินจ้างรางวัลแต่ไม่ต้องเป็นพยายมตลอดไปเมื่อสิ้นกรรมแล้วจะไปบังเกิดเป็นเท พ, พบุตรเพราะเคยทำบุญทำทานไวมากเช่นกัน พญยายมองค์อื่นๆเขาจะมาทำหน้าที่แทนเป็นการสะสางบัญชีกระทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปแล้วแต่ผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมาที่จะไปสวยกรรมนั้นๆที่จะวิบากให้แก่ผู้ทำกรรมนั้นพี่ชายก็เลยถามอีกว่านารกสวรรค์เขากินอาหารกันอย่างไรนอนหลับกันอย่างไรพญายมเลยตอบว่านารกสวรรค์ไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่มืดไม่สว่างเมื่อนึกว่ามืดมันก็มืดเมื่อนึกว่าสว่างมันก็สว่าง อาหารที่เขากินเป็นอาหารทิพน้ำทิพสัตว์ในขุมนรกกินเลือดกินเนื้อของตัวเองและน้ำทองแดงเป็นอาหารปีหนึ่งในเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันในนรกพี่ชายก็เลยถามอีกนะคะว่าเมื่อออกจากร่างแล้วต้องทำอย่างไรกับร่างนี้บ้างพญายมตอบว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดเมื่อเราออกจากร่างแล้ววิญญาณเขาก็จะเข้าร่างเดิมทันที เพราะฤทยาพิษนั้นเราได้ช่วยถอนออกหมดแล้วในการที่เราได้ขึ้นมาวันนี้ก็เพราะอำนาจของพุทธโธของน้องชายเจ้าจะถามอะไรอีกไหมเวลาเรามีน้อยเราจะกลับแล้วต่อจากนั้นพี่ชายอาตมาก็ถามอะไรอีกไม่กี่อย่างเพราะว่าใกล้รุ่งเช้าแล้วและรู้สึกขอบคุณพญายมที่ได้มาโปรดให้รู้แจ้งและชี้แนะให้เชื่ออย่างสนิทว่านรกมีจริงทุกอย่างก่อนที่พญายมจะออกจากร่างของอาตมาไปนั้นก็ได้พูดอีกว่า ที่เราพูดมานี้หากใครไม่เชื่อว่านรกมีจริงแล้วเราจะพาไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไปชมทั่วแล้วเราจะพามาส่งเองแต่ก่อนที่เราจะพาไปต้องทําให้ผู้นั้นสลบก่อนถึงจะพาวิญญาณไปดูได้ครั้งแรกแม่ของอัตมาจะไปแต่ว่าในที่สุดก็ไม่กล้าขณะที่พยายมเข้าสิงร่างของอัตมานั้นเป็นเวลาประมาณ24นาฬิกาคือเที่ยงคืนไปจนใกล้สว่าง ซึ่งพญาโ ย, ยมยังพูดอี ก, อกมากๆ <นะ S 1> ว่าวิญ ญ, ญาณอา<ะ>ตมาจำได้ก็เพราะอาตมายืนฟังอยู่ด้วยแต่บางตอนที่ลืมไปบ้างก็เหมือนกันที่เล่านี้เล่าเท่าที่จำได้เท่านั้นญาติโยมทั้งหลายตามที่อาตมาได้รอดชีวิตมาได้ก็เพราะอํานาจบา ร, รมีของพระพุทธองค์แท้ๆถ้าหากว่าอาตมาลืมคำว่าพุทธโธซะแล้วป่านนี้จะไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไม่ทราบคิดดูเถิดว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายสักเพียงไหน พระองค์สามารถช่วยเราได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อพยาโยมออกจากร่างอัตมาแล้ววิญญาณของอัตมาก็มายืนอยู่หน้าบ้านซึ่งเดินเข้าไปในร่างเดิมทันทีคล้ายกับว่านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาภายในท้องก็สบายดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชายของอัตมาที่ไม่ค่อยถูกกันก็กลับดีเป็นพิเศษเห็นอกเห็นใจอัตมาทุกอย่างพี่น้องทุกคนต่างเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันทุกอย่างเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นอัตมา ก็มีได้กระทําผิดแต่อย่างใดพี่ชายของอาตมาก็กลับไปยังสวนที่จังหวัดกระบี่จัดการเอาปืนและอาวุธต่างๆและเครื่องทำลายตัดชีวิตสัตว์ทุกชนิดมาเผาไฟให้หมดไม่เหลืออะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาทรมาหากินในทางที่ถูกที่ชอบสำหรับตัวอาตมาเองรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จมาทรงโปรดอาตมาให้ดวงตาเห็นธรรมทาให้อาตมามีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องระแวงสงสัยอีกต่อไปจึงตัดสินใจเข้าวัดถือศีลให้ทานและในที่สุดก็ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาในการต่อมาดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่ณปัจจุบันในที่สุดอาตมาขออันเชิญคุณพระศิรัตนตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนาที่อาตมาได้บำเพ็ญมาหรือกุศลที่ญาติโยมได้สร้างอบรมมาด้วยตนก็ดี จงคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลายให้พ้นจากอุบัติวันตรายขอจงดนบรันรดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ดังพรทั้งสี่อายุวัรนะสุขพรละทุกที่วาราตีทุกการเทินคุณผู้ฟังท่านนี่คือประสบการณ์จริงที่เรานำมาจากการจดบันทึกนะคะของอท่านปัญยวารโรภิกษุนะคะ เมื่อครั้งสมัยท่านยังใช้ชื่อนิกรไทรักนะคะซึ่งเป็นคาราวาสค่ะได้ประสบพบเห็นมาแล้วก็ขณะที่ท่านเคยตายมาแล้วหนนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นคาราวาสเมื่อหลายสิบปียี่สปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันะคะเป็นกันารบันทึกค่ะเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่าให้แก่ญาติโยมได้รับรู้แล้วก็ได้อ่านได้ฟังนะคะว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงๆท่านเองก็เป็นพระก็คงจะไม่โกหกหรอกนะคะคุณผู้ฟัง หมดเวลาสำหรับพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ B ีด้วยนะคะคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์บีได้อ่านแต่ว่าอาจจะตอบไม่ทันเพราะว่าค่อนข้างเยอะเหลือเกินยังไงก็ขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยเช่นกันค่ะกลับมาติดตามพระเจอผีแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆได้ใหม่ในโอกาสต่ตอไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ